วันนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องการพักผ่อ <c> น <oughs> บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับธรรมะหรือพระพุทธศาสนาก็ได้ขอให้สนใจฟัง แม้แต่เรื่องการพักผ่อนถ้าเข้าใจถึงที่สุดก็จะเข้าใจถึงเรื่องนิพพานไม่มีอะไรที่จะเป็นการพักผ่อนมากเท่ากับเรื่องนิพพาน <c oughs> ในชั้นแรกนี่ อยากจะให้เข้าใจหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างที่จะช่วยเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นหลักเกณฑ์ที่กล่าวนี้ก็คือเรื่องที่เราเคยพูดกันอยู่เป็นประจำว่าเรื่องที่มีอยู่ในโลกนี่ มันลึกซึ้งกว่ากันเป็นชั้นๆซึ่งผมอยากจะแบ่งเป็นสามชั้น <c oughs> ว่าเป็นเรื่องทางกายว่าเป็นเรื่องทางจิตว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณ เป็นสามชั้น <c oughs> ทั้งที่ในบาลีจะมีพูดเพียงสองชั้นคือเรื่องกายกับเรื่องจิตแต่ใช้คำว่าเจตสิกคือว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิตก็ <c oughs> ลเลยมีเป็นสองเรื่องเรื่องกายยิกะกับเจตสิกกะคือเรื่องทางกายรือเรื่องทางจิต ให้รู้สึกว่ายัางเข้าใจยากสู้เข้าใจอย่างสามชั้นขั้นตอนนี้ไม่ได้มันมองเห็นได้ง่ายกว่ากันนี่ขอให้เข้าใจกำหนดไว้สาหรับเป็นหลักเกณฑ์เพื่อศึกษาหรือเพื่อเข้าใจอะไรให้มันครบถ้วน เรื่องทางกายมันก็เกี่ยวกับร่างกายเรื่องทางจิตก็เกี่ยวกับจิตแต่เรื่องทางวิญญาณนั้นคอยยืมคำมี้มาใช้เพราะตัวหนังสือมันอํานวยให้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญา ไอส้สติปัญญาก็เป็นเรื่องของจิตเหมือนกันแต่มันคนละเรื่องมันแยกออกมาจากกันได้ <c oughs> นี่เป็นเหตุให้เราได้ความพักผ่อนเป็นเรื่องทางกายเป็นเรื่องทางจิตเป็นเรื่องทางวิญญาณ <c oughs> คือถ้าเราจะแต่เพียงสองเรื่องเรื่องกายกับจิตมันอธิบายยากคือต้องอธิบายจิต ออกเป็นสองเรื่องอีกแหละ <c oughs> มันมีสามไปไม่พน้นทีนี้เอาเรื่องที่เขาใช้พูดกันในการศึกษายุคปัจจุบันนี่ที่ใช้ภาษาสากลคือภาษาฝรั่งมันก็แบ่งได้เป็นสามอย่างนี่เหมือนกั น, นเรื่องทางกาย ทางฝ่ายกายก็เรียกว่า physical physical แล้วก็เรื่องทางจิตคือ p s y c h i c a l แล้วบางทีก็ใช้คำว่า mental p s y c h o l i c a l แหลเรื่องทางจิตแล้วมันยังมีคว่า spiritual s p เป็นเรื่องลึกไปกว่าจิต ก็เป็นเรื่องของสติปัญญาหรือทางวิญญาณในความหมายธรรมดาไอ้คําว่าสเปริจจุลนี่กลายเป็นคําธรรมดาเต็มทีแล้วแมในหนังสือพิมพ์ธรมธรมดาธรรมดานรือพิมพ์ฝรัง่งมันก็มีใช้คํานี้อยู่ทั่วๆไป <c oughs> เพื่อให้แยกออกไป <c oughs> โดยเด็ดขาดจากเรื่องทางกายหรือเรื่องทางจิตธรรมดา ที่จะให้เข้าใจได้ง่ายสำหรับพวกเราชาวชาวไทยที่ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็จะมีหลักว่าให้ความเจ็บไข้เนี่ยความเจ็บไายแบ่งได้เป็นสามชั้นถ้าเจ็บไข้าทางร่างกายทางเนื้อทางหนังนี่น ก็ไปที่โรงพยาบาลที่เขาจัดการเรื่องทางกายแต่ ถ, ถ้าเป็นเรื่องทางจิตก็ไปโรงพยาบาลรูปจิตแต่ถ้าเป็นเรื่องทางวิญญาณนะต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าในโลกนี้มันก็มีแต่เรื่อง มีแต่เรื่องโรงพยาบาลทางกายโรงพยาบาลทางจิต <c oughs> ส่วนเรื่องทางวิญญาณนั้นไม่มีไม่มีโรงพยาบาลต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าที่สอนให้แก้ไขด้วยเรื่องทางสติปัญญาระงับโลภะโทสะโมหะแล้วก็ ไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนนันจึงจะหาโรคสิ้นเชิงเข้าใจหลักนี้ไว้ก็จะเข้าใจเรื่องอื่นๆได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องการพักผ่อนที่กำลังจะพูด ในการพักผ่อนทางร่างกายก็หยุดความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายอการพักผ่อนทางจิตก็หยุดความเหน็ดเหนื่อยทางจิตส่วนพักผ่อนทางวิญญาณหรือทางสปิสุจริตนั้นไกลไปกว่า น, นั้นอีกคือพักผ่อนในเรื่องของความโง่เราเหนื่อย ทางกายเราก็นอนพักมันก็หายเหนื่อยทางจิตหยุดจิตหยุดคิดหยุดห ย, ยุดนึกเพียงทำสมาธิเสียมันก็หายแต่ถ้ามันเหนื่อยทางวิญญาณถือการยึดมัน่นถือมัน่นว่าตัวตนว่าของตนเนี่ยมันไม่พอมันต้องไปถึงความรู้ชนิดที่ไม่มีตัวตน ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นไว้ในใจว่าอะไรเป็นตัวตนหรือของตนมันจึงจะพอมันอยู่ไกลกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีพูดกันแมในการศึกษาของโลกที่ว่าสูงสุดสูงสุดในโลกก็จะไม่พูดถึงเรื่องการพักผ่อนทางวิญญาณ หรือจะพูดเรื่องทางวิญญาณว่างก็ยังต่ากว่านี้มากมเราก็จะคุยหรืออวดได้ว่าพุทธศาสนายังไปได้ไกลกว่าคือมีเรื่องทางวิญญาณจนพักผ่อนได้แม้ในทางวิญญาณให้คนที่ร่างกายก็สบายจิตก็ปกติ แต่ยังไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณก็มีคือมันยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเรื่องของตนมีของหนักกดทับอยู่บนวิญญาณแม้ว่าคนนั้นมีร่างกายสบายดีมีจิตใจปกติเฉลียวฉลาดเป็นนักปราดด้วยซ้ำแต่มันก็ยังมีการกดทับในทางวิญญาณคือกยึดมั่นถือมั่นเป็นของหนัก อยู่เนื้อวิญญาณนั่นแหละอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วว่าไปยึดอะไรข้าไอ้สิ่งนั้นก็เป็นของหนักขึ้นมาทันทียึดวัตถุก็หนักทางวัตถุยึดทางจิตก็หนักทางจิตยึดทางวิญญาณก็หนักทางวิญญาณแล้วคนทั่วไปถ้ายังไม่เป็นพระอระหรันต มันก็ยังมีการยึดทางวิญญาณคำว่ายึดในที่นี้หมายถึงจับเอาไหว้ยกขึ้นไหว้คือชูขึ้นไหวนะ้ไม่ได้วางอยู่กับกับพื้นเอาขึ้นมาถือไหว้เอาขึ้นมาถือไหว้นะเมื่อ ไ, ไ, มอไรมันก็มีหนักเมื่อนั้น ทางกายถืออะไรไห้ก็หนักทางกายจิตถืออะไรไหวก็หนักทางจิตวิญญาณนะสติปัญญาเน่ะมันเข้าใจผิดไปยึดถืออะไรไหวมันก็หนักทางวิญญาณนี่ดูให้ดีไม่องยึดถือทางวิญญาณหรือเจ็บป่วยทางวิญญาณหนักทางวิญญาณนั่นแหละเข้าใจยาก เราจึงไม่ได้รับการพักผ่อนในทางวิญญาณแม้จะพักผ่อนทางกายก็ ไ, ได้พักผ่อนทางจิตก็ยังทําได้แต่จิตสงบเป็นสมาธิสักหน่อยมันก็เป็นการพักผ่อนทางจิตแต่ว่าการยึดมัน่นถือมัน่นสิ่งใดไหวโดยความเป็นตัวตนของต น, นมันก็ยังมีอยู่มันเลยไม่เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณนี่เราควรจะเข้าใจ เรื่องการพักผ่อนนี่ให้ถึงที่สุดค่อยมองหเห็นค่าคุณค่าของการพักผ่อนจนเห็นชัดทีเดียวว่าการพักผ่อนนี่มันก็จาเป็นจำเป็นที่สุดถ้าไม่มีการพักผ่อนมันก็คือตาย ทางกายงก็ต้องได้รับการพักผ่อนเป็นเหนื่อยขึ้นเป็นนอนเสียหรือธรรมชาติมันก็จัดไว้ให้แล้วธรรมชาติจัดให้ฟลางวันทํางานกลางคืนหลับนอนก็คือการพักผ่อนอชดเชยกันไปมันจึงรอดตายอยู่ได้เรามีแต่การทํางานไม่มีการหลับพักผ่อนมันก็คือตาย <c oughs> ไ <S an> อ, <ización> อ, อ, อ้การพักผ่อนนั่ น, ม, นมันจึงเหมือนกับว่าการสร้างกำลังทดเชยเขาไว้กำลังที่มันเสียไปเสียไปในการทำงานพอพักผ่อ น, นกำลังกลับมาอีก <S <S <an> <S ก็จะได้ใช้กำลังนี้อีกเพื่อทางานต่อไปอถ้าไม่มีการพักผ่อน มันก็ไม่มเกิดกำลังชนิดนี้มันก็ไม่มีอะไรจะใช้เป็นกําลังก็เลิกกั น, นก็ทําอะไรไม่ได้มันคือตายมันเหมือนกับไอ้ชาร์จหม้อไฟหม้อแบตเตอรี่ที่ต้องชาร์จไปเรื่อยันก็มีกําลังไฟทําอะไรใช้ไปทุกวันทุกวันหยุดชายปล่อยมันหมดมันก็ไม่มีอะไรจะใช้ ร่างกายนี้ก็มีการพักผ่อนนั่นแหละเป็นเหมือนกับการชาริให้มีแรงขึ้นมาใหม่เก็บไว้ก็ชาต่อไปพอถึงเวลาชาก็ชาถึงเวลาชาดคือพักผ่อนก็ทำมันก็มีแรงทำหราชาต่อไปในเรื่องทางจิตก็เหมือนกันนะถ้าจิตมันเหน็ดเหนื่อยก็ต้องหยุดต้องพักผ่อนนะ โดยเฉพาะการทาสมาธิอหละเป็นการพักผ่อนทางจิตที่ดีแต่ธรรมชาติมันก็ได้จัดไว้ให้ด้วยเหมือนกันแหละคือคนเราไม่ได้คิดนึกตลอดเวลาคิดนึกตลอดเวลาก็คือคนบ้ามันก็มีเวลาที่ไม่คิดไม่นึกมันหยุดคิดหยุดนึกได้เองตามธรรมชาตินั่นก็มี แต่บางคนมันอาจจะไม่พอมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาฉั้นถ้าพักผ่อนทางจิตให้พอมันก็มีกำลังจิตที่จะทำอะไรได้ที่ลึกกว่านั้นเป็นเรื่องทางวิญญาณคือความโง่หรือความฉลาด <c oughs> มันมีความโง่เขยึดถือ <c oughs> ตัวตนอะ ฉันยึดถือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนตัวตนเดี๋ยวตัวตนในรูปเดี๋ยวตัวตนในเวทนาเดี๋ยวตัวตนในสัญญาเดี๋ยวตัวตนในสังขารเดี๋ยวตัวตนในวิญญาณเนี่ยมันหนักมันถือของหนักมันไม่เป็นการพักผ่อนฮันจะต้องเลิกหรือลดลดหรือเลิก อย่างน้อยก็ลดอย่างมาก ก, าเก็เลิกเลิกความยึดมั่นถือมันน่นมันก็เป็นการพักก่อนนี่ก็เป็นเรื่องของนิพพานถ้าเข้าใจเรื่องการพักผ่อนในทางวิญญาณก็คือเข้าใจเรื่องพระนิพพานนั่นเองไม่มีอะไรที่จะเป็นการพักผ่อนทางจิตทางวิญญาณนอกจากนิพพาน นี่เรื่องการพักผ่อนคงเป็นอย่างนี้ขอให้พยายามเข้าใจเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งหมดเรามีร่างกายก็พักผ่อนทางมีการพักผ่อนทางกายเรามีจิตก็มีการพักผ่อนทางจิตเรามีเรื่องของวิญญาณคือสติปัญญาก็ต้องมีเรื่องการพักผ่อนทางวิญญาณหรือทางสติปัญญา ทาง Physical ทาง s ไกติกส์แล้วก็ทางสปิริตชั่ใช้คำสาคนที่เขาใช้กันทั่วโลกลเขาก็มีคำพูดสามอย่างนี้แต่กลัวว่าสำหรับการพักผ่อนนั้นเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องการพักผ่อนแล้วอ่านหนังสือในโลก ที่เป็นเรื่องจิตตลาดพักผ่อนมันเป็นพักผ่อนอย่างมากกวาทางจิตพักผ่อนทางกายใ น, นรู้จักกันดีมากแล้วก็นิยมกันมากพักผ่อนทางจิตรู้กันบ้างกระทำกันได้น้อยส่วนการพักผ่อนทางวิญญาณนั้นไม่มีใครรู้และไม่มีใครนึกเลยไม่มีใครเอาใจใส่ที่ว่าเราจะหยุดจะหยุดความยึดมัน่นถือมันเรื่องตัวตนเรื่องของตนกันจะบ้างเนี่ยไม่มีใคร รู้แล้วก็ไม่มีใครทำํำคือไม่มีใครเอาใจใส่นี่ไงมันยังขาดอยู่มากพระชาพูดเราจะมีอะไรอวดพวกฝรั่งบ้างก็คือเรื่องนี้ <c oughs> คือเรื่องอะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องทางวิญญาณแม้แต่การภักผ่อนก็มีการาพักผ่อนทางวิญญาณที่นี่เขาไม่ได้พูดกันไม่ได้เพไม่รู้เรื่องหรือไม่คิดว่ามี แต่ชาพุทธเรามันมีมีการพักผ่อนทางวิญญาณอา้าวที่นี่มาดูเท่าที่เขารู้จักกันอยู่เท่าที่เขารู้จักกันอยู่ เ, เขาก็รู้จักว่าไปเลิกงานเลิกงานแล้วก็ไปพักผ่อนไปดูนั่งไปดูละคร เขาก็คิดว่าเป็นการพักผ่อนนั่นมันเป็นข้อใจปิดไปไปเล่นกีฬาก็เป็นการพักผ่อนมันก็ยังไม่เป็นการพักผ่อนหรอกมันไปเปลี่ยนท่านเองมันเปลี่ยนงานท่านเองม่ใช่การพักผ่อนไปดูหนังดูละครมันก็ยังเหน็ดเหนื่อยเร่งดูเรื่องคิดเรื่องนึกเรื่อง อารมณ์ปรุงแต่งไปตามเรื่องหนังเรื่องละครที่มันทำให้เกิดการปรุงแตงถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็ร้องไห้ไม่ได้หัวเราะไม่ได้ถ้าไอเรื่องละครเรื่องหนังมันไม่ปรุงแต่งทางจิตใจนะคนไปดูนั่นก็จะไม่หัวเราะจะไม่ร้องไห้ในบางคราวแสดงว่ามันมีการปรุงอยู่เรื่อย ไม่พักผ่อนถ้พักผ่นมันต้องหยุดสิ่งเหล่านั้นแต่เขาก็ไม่รู้จักนั่นก็เลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนความเครียดไปเครียดโดยไม่รู้สึกอาจจะเลยไปถึงความเครียดทางวิญญาณที่เขาก็ไม่รู้สึกเขาก็ไม่รู้จักและเขาก็ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องการพักพ่อน <c oughs> ทางนี้ <c oughs> จิตนั้นทำยังเสวยสุขเวทนาอยู่มันก็ไม่ใช่การพักผนะ่อนแม้มีความสุขขึ้นมามันก็ยังเสวยสุขเวทนาจิตยังต้องทําหน้าที่การงานเสวยสุขเวทนาจะพักผนะ่อนอะไร ต่อเมื่อว่างไม่เสวยเวทนาอะไรนู่นจึงจะเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงนี่มันเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนการงานหรือเปลี่ยนรูปแบบของการพักผ่อนโดยคิดว่าจะเป็นการพักผ่อนเนี่ยเข้าใจว่าการสเสวยสุขเวทนา เป็นการพักผ่อนนี่ถึงแม้เดินทางกิจอยู่ในสมาธิก็เสวยเวทนาในสมาธิเป็นความสุขมันก็เป็นการทํางานที่ละเอียดละเอียดลงไปยังไม่ใช่การพักผ่อนหรือวางทิ้งโดยสินนส้นเชิงถ้าพักผ่อนสิ้นเชิงวางทิ้งก็คือว่างต้องว่างไม่เสวยเวทนา แต่เป็นเรื่องของสมาธิก็ต้องเป็นเรื่องเลยขึ้นไปจนถึงพวกเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอรูปฌานชั้นสุดท้ายหรือเป็นสัญญาเวทญตนิโรธนั่นจึงจะหยุดหยุดเวทนาหยุดสัญญาหยุดความคิดความนึกในทั้งปวงนั่นจึงจะเป็นการพักผ่อนแต่แล้วมันก็ไม่ถึงที่สุด พอออกมาจากเวทนาออกมาจากฌานจากสมาธินั้นก็ยึดถือตัวตนของตนอีกบางทีก็ไปยึดถือความสุขที่เกิดจากสมาธิชั้นสูงสุดนั้นเป็นของตนอีกมันก็ไม่ใช่พักผ่อนนั่นต้องว่างโดยประการทาั้งปวงคือเป็นนิพพานจึงจะเป็นการพักผ่อนนั่นอย่าไป ละ เ, เมอเเขวะเเขวะตามที่เขาพูดกันพูดกันทํางานหนักแล้วไปเล่นกีฬาไปดูหนังไปดูละครเป็นการพักผ่อนกาพักผ่อนชนิดนั้นไม่ใช่การพักผ่อนที่แท้จริงมันเป็นเกา น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเปลี่ยนความเครียดหรือว่าเราจะไปใจทะเลที่เวิ้งว้างนี่ก็เป็นการพักผ่อน มันก็ไม่ใช่พักผ่อนที่สิ่งเชิงก็มไปได้อารมณ์้เวทนาที่จากความว่างว่างของทะเลพอใจยินดีอะไรต่อไปอีกยังไม่ใช่การพักผ่อนอ้าวทีนี้มาดูกันถึงเรื่องของพวกเราคือบวชกันเนี่ยที่บวชบวชกันนี่จะจะเป็นการพักผ่อนสักกี่มากน้อย ถ้าบวดจริงถึงหมายถึงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงอห้รก็มันก็เป็นการพักผ่อนมากมากกว่าที่เป็นคาราวาสการบวชนี่ก็เป็นการพักผ่อนในความหมายที่ความขวางแล้วก็ว่างจากการรบกวนที่ทาให้เกิดความรู้สึก ยึดมัน่นถือมั่นอะได้มากกว่าที่จะอยู่ในเพทราวาสในเพทราวาสนั้นมันมีอะไรทับถมทุกอย่างทุกด้านแห้มีคนเขียนโคลงให้บทหนึ่งว่าเพทราวาสเป็นมันก็ซ่องพิษะซุ้ม ที่ซ่องสูงต่าสมความกดดันความทะเยอะทะยานอยากแต่ชีวิตบรรพชารบรรพิตนี้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยว่าโปรงเหมือนกับท้องฟ้า ข้อความนี้มัเป็นบาลีแต่เขาไปแต่งเป็นโครงเป็นกลอนในภาษาอังกฤษบางอะไรบนะ้างดูที่บรรพชาถ้าบรรพชาจริงก็จะเกิดความว่างจากการรบกวนอย่างแบบคราวาสก็เลยเรียกว่าเป็นการพักผ่อน เพราะมีความว่างได้ว่างจากสิ่งที่รบกวนในการบวชถ้าเป็นเพียงเรื่องทางระเบียบทางวินัยมันก็พักก็ว่างหรือพักผ่อนมากเหมือนกันถ้าการบวชนั้นทำไปได้ไกลจนถึงกัมีสมาธิทำสมาธิ อยู่ในสมาธิเป็นประจำก็พักผ่อนมากขึ้นไปอีกถ้าไปถึงสมาธิในขั้นอรูปฌานหรือปัญญาเวทยิตานิโรธที่ว่านั่นก็ยิ่งพักผ่อนที่สุดน่ที่ที่สุดในอย่างอย่างที่มีอารมณ์เนี่ยยังไม่ใช่นิพพานแต่ถ้าว่าการบวชนั้นเป็นการบรรลุนิพพานนี่ก็จะพักผ่อนถึงที่สุด นันพูดว่าการบวชนี่เป็นการพักผ่อนถูกต้องที่สุดแต่แล้วมันก็มีอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นตามชั้นของการบวชบวชสักว่าบวชอย่างวินัยถือวินัยมันก็พักผ่อนได้มากตามแบบวินัยทำแบบภายนอกทางกายทางวาจานถ้าทำสมาธิอยู่ด้สมาธิก็เป็นการพักผ่อนทางจิต จะเป็นการบรรลุมรรคผลก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณชั้นสูงสุดไม่มีอะไรที่มารบ ก, กวนในความเครียดทางวัตถุทางร่างกายเนี่ยอยู่ระดับต่ำสุดในความเครียดทางจิตมันก็สูงขึ้นไป แต่ความเครียดทางวิญญาณนะ่ะว่าสูงสุดซึ่งมันละเอียดละเอียดเป็นที่สุ ข, ขุมเข้าใจยากเห็นได้ยากแต่มันก็มีอยู่ฉันเราจึงพูดว่าการบวชเป็นการพักผ่อนมากหรือน้อยแล้วแต่ว่าการบวชนั้นจะประพฤติปฏิบัติอะไรได้เพียงไหน จะทำได้ถึงที่สุดมันก็เป็นการพักผ่นถึงที่สุดแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่าอคราวาดก็ทำได้ตามสติกําลังแต่มันไม่มากคือมันไม่สะดวกหรือง่ายเหมือนกับการบวช <c oughs> เมื่อบวชไม่ได้นะถ้าบวชไม่ได้มันก็ต้องทำเท่าที่จะทำได้ในเพศคราวาด ให้เกิดการพักผ่อนอที่ถูกต้องหรือพอสมควรมิฉะนั้นมันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นบ้าหรือมันจะตายก็นนะ <c oughs> ตามหลักธรรมะก็ไม่ได้มีว่าทุกคนจะต้องบวชเพราะมันบวชไม่ได้ก็มีแต่แม่บวชไม่ได้มันอยู่เป็นคราววัดมันก็ยังยังมีความทุกข์ การดับทุกข์จึงเป็นหน้าที่แม่แก่ของพวกคราวาสถึงแม้จะไม่ค่อยสะดวกจะอึดอัดขัดข้องก็ต้องทําไปตามที่จะทําได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าบวชมันสะดวกถ้าชีวิตแบบบวชมันเปิดโอกาสให้ทําได้สะดวกก็ทําได้สะดวกกว่าถ้าบวชได้ก็บวช แต่ถ้าบวชไม่ได้ก็ต้องทำเท่าที่จะทำได้ในเพศคราวาตนั่นเองแม้จะเรื่องการพักผ่อนทางจิตพักผ่อนทางวิญญาณนี้ก็ยังขอยืนยันว่าคราวาตก็ทำได้และคราวาตก็ต้องทำเท่าที่จะทำได้จะเป็นผลดีที่สุด ถักผ่อนทางกายนะั่นก็เป็นที่รู้จักกันแล้วไม่ต้องพูดแต่ถ้าผ่อนทางจิตคาราวาสาาจะทำสมาธิมีจิตเป็นสมาธิได้ตามสมควรที่คาราวาสจะอํานวยให้ได้จะมากหรือน้อยก็ได้แล้วแต่โอกาสและแต่ความสามารถนีคาราวาสจะสามารถจะเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นสติปัญญา ในเพศคาราวาส์ะพิจารณาอนิจจังทุกครั้งอนัตตาให้เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแม้อยู่ที่บ้านที่เรือนในเพศคาราวาสนอย่าบ้ากันไปทั้งร้อยเนมีเวลาที่มองเห็นในเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาตามโอกาสนั้นก็จะเกิดความคลั่งคลอนทางวิญญาณขึ้นแม้ในเพศคาราวาสคือมีเวลาหรือมีระยะ ต้องเวลาที่เบาสบายไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นพักๆที่จริงเรื่องนี้คนมันไม่มองเองธรรมชาติมันจัดมาไว้ดีแล้วถึงแม่คาราวามันก็มีเวลาที่จิตมันว่างจากการยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันไม่ใช่นั้นมันก็ตายแล้วเป็นบ้าหมดตายแล้วเวลาที่จิตมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมันก็มีอยู่ ซึ่งผมเคยบอกกล่าวขอร้องเตือนนักเตือนนาว่าขอทุกคนสังเกตดูให้ดีื่าเวลาที่จิตมันว่างมันไม่ได้ยึดมันถือมันอะไรมันก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อยเพราะมันมีได้ยากในเพศคาราวาสคนจึงไม่สนใจแต่มันก็มีเวลาที่มันว่างจากความยึดมั่นถือมั่น เพความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นสังขารมันมีการเกิดและมีการดับเมื่อมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่อไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีหรือมันดับเพรแต่มันก็มีแต่เวลาอย่างนี้มันน้อยเพราะคาราวะมันมันมีเรื่องมากที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างน้อยเวลาที่พักผ่อนนอนหลับมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น ัวขะแล้วเป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่ได้เป็นไปโดยการจัดหรือการกระทำของเราแต่ถ้าเรามาศึกษาเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาให้มาก mm hmm. ก็จะสามารถทำได้มากขึ้นกว่าที่ธรรมชาติมันจะจัดให้ mm hmm. ขอร้องให้ทุกคนสนใจ พยายามสนใจให้รู้จักระยะเวลาม้สักแวบหนึ่งสักขณะหนึ่งก็ตามใจที่จิตมันว่างมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรที่ที่มันสบายที่สุดสบายที่สุดมันมีอยู่แต่คนสังเกตไม่เห็นเพราะมันโง่เกินไป แล้วคนมันก็ชอบให้สบายใจชอบให้อรเรดอร่อยชอบให้สนุกสนานมันก็อยู่ไม่สุกมันก็สร้างให้เกิดความสนุกสนานอรเรดอร่อยไว้เรื่อยไปเลยไม่เคยไปพบกับความว่างแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีโดยบังเอิญที่มันว่างสักแวบหนึ่งรู้สึกว่าสบายที่สุดแล้วก็ไม่รู้เพราะเหตุอะไรนั่นคือความโง่ ไม่สังเกตเห็หนอะไรที่เวลาที่ว่างสบายที่สุดนั่นจิตมันว่างมันไม่ถูกกรุงแต่งมันมายึดมันถือมันอะไรไม่เป็นห่วงอะไรไม่วิตกกังวลอะไรเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงอุ ป, ปมาของชีวิตตามปกติของคนคงจะมีคนได้ฟัง พูดอีกทีก็ได้เผื่อบางคนไม่ได้ฟังว่าชีวิตของคนธรรมดานะ่มันยากอที่จะว่างว่างจากการปรุงแต่งถา้ามันยึดมัน่นถือมัน่นหรือมันปรุงแต่งนั่นแหละมันเคยชินตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ มันก็เริ่มปรุงแต่งมันก็เริ่มยึดมั่นถือมั่นจนเกิดเป็นทิศทางต่างๆกันเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตจนมันรู้จักอยากรู้จักหวังรู้จักต้องการรู้จักยึดมั่นถือมั่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่จนก ร, กระทั่งว่านะกระทั่งว่ามีอายุพอสมควรเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วนี่ มันก็มีอาการเหมือนกับว่าถูกดึงดึงขึ้นไปข้างบนผูกหัวผูกหัวผูกคอดึงขึ้นไปข้างบนโดยความหวังโดยความอยากโดยความยึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งที่เป็นที่รักใคร่พอใจปรารถนาหวังจะได้หวังจะได้หวังจะได้ อ น, นาคตที่จะจ ะ, จะได้ น, ะนี่จะถูกดึงขึ้นไปทางบนด้วยความหวังแล้วทางข้างล่างเนี่ยมันก็มีความหวาดกลัวระแวงว่าจะสูญหายจะเสียไปนี่ก็มันก็ถูกถูกดึงให้ดึงขาเนาะเชื่อกผูกขาดึงกันไปทางล่างอีกทางหนึ่งด้วยความหวาดกลัวเลยความระแวงด้วยความกลัวที่มันจะไม่ได้นะ หรืได้แล้วมันจะสูญหายไปเนี่ยนี่มันทางนี้มันดึงลงมาทางล่างมักจะเป็นเรื่องของอดีตข้างบนมันดึงขึ้นมาจนตึงสุดเรียงข้างล่างก็ดึงว่าจนสุดเรียงตึงขึงพืช อ, อย่างนี้แล้วตรงกลางมันเอาไฟลนเอาไฟราคะลนกำหนัดกามารมณ์อะไรลน เอาไฟโทสะโกรธแค้นเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการลน้นล้นเข้าไปตรองปางถูกลน้นอยู่ด้วยไฟสองจนิดคือไฟราค่าไฟโทสะข้างบนนะี่เอาไฟอยากต้องการหวังดึงขึ้นไปข้างบนข้างล่างนี่เอาความโง่เอาโมหะไฟโมหะดึงลงไป้วยความกลัวมีชีวิตอยู่ในความกลัวความหวาดระแวงว่าจะสูญเสีย เป็นความกลัวกลัวทุกอย่างกรทัางกลัวต้กลัวนี่นี่มวน ม, าามันดึงมาข้างล่างเครียดอยู่นี่เ็ดึงมาบนเครียดอยู่ก็ตรงกลางเอาไฟลนคนข้าวลองคำนวณดูทีว่ามันจะมีความพักผ่อนได้อย่างไรคนธรรมดาสามารถจะมีความพักผ่อนได้อย่างไรเพราะโดยขอเทจริงมันถูกกิเลสทั้งหลายครอบงาย่ายีเบียดเบียนอยู่ ในลักษณะอย่างที่ว่านี้ข้างบนก็ดึงขึ้นข้างล่างก็ดึงดึงลงตรงกลางออกไฟลนมันอยู่ตลอดเวลาพักค่อนอะไรกันแล้วเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงถ้าเห็นว่ายังไม่จริงก็ค่อยไปดูเส้ยไหมถ้าเป็นบุตุชนคนธรรมดามีกิเลสครบสมบูรณ์แบบแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแะ เรให้เป็นพระเป็นบรรพชิตมันก็ยังเป็นอย่างนี้แนะอยู่ที่บ้านเป็นคราวาดก็เป็นอย่างนี้แหละมาบวชแล้วถ้ามันทำอะไรไม่ได้มันไม่ก้าวหน้าในทางคำว่าเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละอาการที่ถูกขึงพืชแล้วไฟล้นตรงกลางนี่มันมีแล้วทั้งฆราวาสและทั้งบรรพชิตชนิดที่สักวาบวชเท่านั้นเอง คือบวชตามพิธีรีจองบวชตามวิ น, นัยพอตามประเพณีการบวชบวชแล้วเท่านี้มันก็ยังละอะไรไม่ได้แม่นว่าแต่ว่าบวชเยนบวชจริงเรียนจริงมันบรรลุธรรมะสูงขึ้นไปตามลำดับในะสิ่งเหล่านี้จึงจะค่อยผ่อนคลายมันมาจากความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าความรู้จริงเห็นจริง อ, อันจังทุกรังนตามีมากขึ้นมาเท่าไรไอความอยากมันก็ลดไอความโง่มันก็ลดความโกรธมันก็ลดมันก็ลดลดจนไปตามลดในการถูกขึงพืชหัวท้ายเราไฟลนตรงกลางมันก็ลดลงลดลงมันก็เป็นการพักผ่อน นี่เราดูให้ดีว่าชีวิตนี่มันมีลักษณะอย่างนี้แล้วมันละเอียดเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องสุกขุมมองเห็นยากแต่ถ้าพยายามจะมองมันมองเห็นได้นะแล้วยิ่งทําสมาธิภาวนาสังเกตใส่วนอย่างนี้อยู่เสมอๆก็ยิ่งเห็นชัดเห็นชัดเห็นความทุกข์ในสังขารในชีวิต ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนนะเกิดเบื่อหน่ายจะเกิดเบื่อหน่ายจะกระพอใจในทางหยุดในทางพระนิพพาน้ะเห็นในความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ต้นเพียงพอแล้วจิตมันก็ น, นอ้อมไปเพื่อพระนิพพานเพราะที่นี่มันไวไม่ไวแล้วโว้ยมันก็ น, นอ้อมไปทางที่ไม่มีไอ้ไอ้ไอ้ทรมานอย่างนี้ นอกไปทางตรงกันข้ามแหละก็เป็นธรรมชาติอองเหมือนกันถ้ามันโง่มันมองไม่เห็นมันก็หลงอยู่ที่นี่คลุกอยู่ที่นี่จมอยู่ที่นี่ถ้ามองเห็นมันก็อยากจะออกไปมันอยากจะออกไปอยากจะออกไปจากวัฏฏะสงสารไปสู่ที่ว่างที่พักคือพระนิพพานาคอยมองเห็นความจริงพื้นฐานนี่เสียก่อนเถอ มันเรื่องมันจะง่ายเข้ามันจะเป็นไปตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้ให้คอยทุกคนรู้จักความเครียดครับไม่พักผ่อนว่าเป็นอย่างไรเหมือนที่ว่านีถูกรึงพืชแล้วไฟลุนตรงกลางเป็นความเครียดไม่พักผ่อนแล้วความว่างความพักผ่อนนั่นเป็นอย่างไร เห็นให้มันชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปมันก็กกกรับ ก, ก็พอใจจิตมันก็นออมกไปเพื่อ น, นิพพานเดี๋ยวนี้จิตยังนออมกไปไม่ถูกแล้วก็จมกันอยู่ที่นี่เรียกว่าวิ่งเลาะ อ, อยู่ตามฝั่งในนี่เองไม่รู้จักที่จะแสวงหาฝั่งนอก <c oughs> ขอให้สนใจว่า ความจริงทุกอย่างมันแสดงหรือมีอยู่แล้วในตัวชีวิตมันแสดงให้เห็นอยู่แต่คนมันก็ไม่เห็น <c oughs> เพราะว่าคนมันดูไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เห็นไม่เห็นเพราะมันดูไม่เป็นนั่นจะต้องฝึกฝนการดูการเสียให้เป็นคือการทําสมาธิเป็นต้นนั่นแหละ <c oughs> มันเป็นการดู <c oughs> ดูดูให้มันเห็นขอเห็นแ อ, อกมันก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> มันก็คิดถูกต่อไปอีกว่าจะทำอย่างไรต่อไปนี้จะขยับขยายกันไปทางไหนพอเห็นชัดเจนอย่างนี้มันก็อยากจะออกอยากจะออกอยากจะออกไปจากกองทุกข์ก็เลยมันมีจิตน้อมไปในทางพระนิพพานเอี่ยงไปทางพระนิพพาน มันก็ง่ายนะเมื่อจิตมันน้อมเอียงไปทางพระนิพพานการปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นแหละมันก็เข้ารูปเข้าร้อยกันานไปได้โดยง่าย่ถ้าจิตมันไม่มองเห็นความจริงอันนี้มันก็ยังหลงอยู่ที่นี่มันไม่มีความคิดจะน้อมไปเพื่อพักผ่อนหรือเปืือนนิพพานมันก็จมกันอยู่ในความทุกข์ทรมานไม่รู้จักสิ้นสุด อความลับมันมีอยู่ที่ว่าคนเรามันชอบสิ่งที่ถูกใจพอใจอรสอร่อยสนุกสนานพอใจเน่ะทุกคนมันชอบแล้ม <c oughs> ันก็คิดว่านั่นน่ะดีที่สุดนั่นนไม่มีอะไรดีกว่าไอ้นี่ดีที่สุดเข <c oughs> าพูดถึงนิพพานนิพพานมันก็เข้าใจว่าอย่างนี้มากขึ้นไปอีก อะไรอร่อยสนุกสนานจับอกจับใจยิ่งขึ้นไปอีกกว่าที่เป็นตามธรรมดานะี่ยคือนิพพานมันไม่ได้เคยคิดว่าหยุดแล้วนี่สะหมดจึงจะเป็นนิพพานมันไม่เคยคิดนะครคิดกันอย่างง่ายๆกันแล้วกันว่าเวลาที่จิตมันเป็นบวกเป็นบวกอะไรอร่อยสนุกสนานราเรื่องเ เป็นสุขอย่างที่ที่เลสมันต้องการมากที่สุดก็ยเป็นบวกถ้ามันไม่ได้อย่างนั้นก็เป็นลบก็คือความดีใจและความเสียใจคนเรามันชอบดีใจไม่ชอบเสียใจไม่ชอบเป็นทุกข์ก็ลงไาถึงเรื่องดีใจดีใจดีใจดีใจ แต่มันควรจะสังเกตเห็นได้เองว่าไอ้ดีใจนั้นไม่ใช่พักผ่อนนะเรากําลังพูดถึงเรื่องความพักผ่อนถึงจะบอกให้รู้ว่าไอ้เรื่องดีใจดีใจดีใจดีก็ไปเถอะนะไม่ใช่เรื่องพักผ่อนมันยิ่งเรื่องเครียดเรื่องยุ่งเรื่องเป็นการทํางานอย่างหนักเลยมันก็จะขาดใจตายอย่างดีใจดีใจดีใจไม่ใช่พักผ่อน อย่าเข้าใจไว้การดีใจก็ได้อย่างใจนั่นจะเป็นการพักผ่อนไม่ใช่มันเป็นความเครียดหรือมันเป็นการทำงานด้านจิตด้านวิญญาณอย่างหนักไปเสีย อ, อีกไม่ใช่การพักผ่อนเลยมีใครคนหนึ่งพูดไว้ข่าวทีดีเขาพูดว่าไอ้ดีใจนั่นอ่ะใช้ไม่ได้ถ้าใจดีเนี่ยสายได้ คือกลับกันเองเรื่องดีใจดีใจไม่พักผ่อนทรมานถ้าใจดีเอใจมาว่ายข้างหน้าเอาดีว่าข้างหลังใจดีมันเลยพักผ่อนคือประมาณว่มันหยุดว่างมันสงบข้อนี้มันเห็นได้ง่ายเห็นได้ง่ายถ้ามี สติปัญญาสักหนอยก็จะเห็นได้ว่าดีใจก็มีใจพักผ่อนเสียใจก็มีใจพักผ่อนซึ่งเคยจะปรากฏมาแล้วเดยกันทุกคนเคยผ่านมาแล้วเดยกันทุกคนไอ้เสียใจสุดเวียงก็กินข้าวไม่ลงนี่เห็นได้ง่ายแต่ว่าดีใจดีใจสุดเวียงก็กินข้าวไม่ลงเหมือนกัน ขอร้องให้สนใจเรื่องนี้สักหน่อยอย่าปล่อยมันให้มันขาดขเัน่อ์เดาเกินไปจงไปทำความรู้จักเรื่องดีใจดีใจถึงที่สุดตื่นจนจ น, จนเนื้อเต้นดีใจจนเนื้อเต้นอะไรเต้ น, นไปหมดนะมันก็กินข้าวไม่ลงหมอันความดีใจที่มากเกินไปก็ทำให้กินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่มีรสไม่มีชาติ จะต้งรอความดีใจนั่นมันระ ง, งับไปซะ พ, พอสมควรคนจึงจะกินข้าวอร่อยแต่ว่าถ้าจิตมันเป็นบวกบ้างตามสมควรก็กินข้าวอร่อยแต่ถ้ามันเป็นบวกถึงที่สุดดีใจสูงสุดดีใจสุดเยี่ยงแล้วมันก็กินข้าวไม่ลงแล้ ว, ว่านอนไม่หลับด้วยนะคนที่ดีใจจนเกินไปดีใจเพราะเห็นอะไรก็ตา ม, มาแล้ว ได้ลูกได้มียาได้ผัวได้อะไรที่ได้เงินได้ํานาจวาสนาได้มากเกินไปดีใจที่สุดมันก็นอนไม่หลับเหมือนกันกินข้าวไม่ล ง, ง <c oughs> ลเหมือนกันถ้าคอยสังเกตว่าอดีใจมันเป็นบวกเสียใจมันเป็นลบมันเรียกกันง่ายๆว่าไอ้ทั้งบวกและทั้งลบนี่ไม่ใช่การพักผ่อนดีใจไม่ใช่พักผ่อนเสียใจไม่ใช่พักผ่อน ใจดีคืออยู่ตรงกลางมันจะกินข้าวอร่อยข้าจะเคยประสบกันมาแล้วทุกคนพอมันมีเรื่องอะไรดีใจเกินไปกินข้าวไม่อร่อยกินข้าวไม่ลงต้องรอให้มันจางซะก่อนนะสมมติวันถูกลอตเตอรี่ได้รางวันเงินเป็นล้านๆ น, น, นี่วันนั้นมันเกือบไม่ต้องกินข้าวแนะ้วเพราะใจมันเป็นอะไรเสียก็ไม่รู้ ถ้ามันเสียใจออกแห้งออกหักหยือว่ากินข้าวไม่ลงเรื่องดีใจและเสียใจไม่ใช่การพักก่อนมันมีแต่เรื่องของว่างของว่างหรือเนื้อเนื้อว่างอ่ะคือไม่ดีใจไม่เสียใจอรือเนื้อเนื้อความดีใจเนื้ อ, เ, อ, เ, อเสียใจนะ่จึงจะเป็นความพักผ่อนนั่นเป็นความหมายของพระนิพพาน อนิพพานนั้นไม่ใช่ดีใจเสียใจไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ได้ไม่ใช่เสียไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ชนะไม่ใช่อะไรทุกคู่จึงจะเป็นนิพพานแต่เดนี้คนทั่วไปคนที่เป็นหมบุตรชนเต็มเต็มขั้นมันคิดว่าดีใจได้ดีอรเรตอร่อยตามที่ต้องการนั่นแหละคือนิพพาน ไปนิพพานก็ได้อร่อยอร่อยสนุกสนานยิ่งกว่าที่เราได้รับอยที่นี่กันเลยอยากไปนิพพานมีคนอยากไปนิพพานโดยเขาใจว่าอย่างนี้กันมากเล่าเรื่องที่เคยเล่า <c ười> อ, ก, อ ก, ก็ได้ว่าหาคนหนึ่งเขาชอบสนุกสนานชอบราวงขึ้น ขึ้นสมองผมผมตั้งข่าวอยากไปนิพพานไหมเขาร้องร้องลั่นเลยอยากยากอยากอย่างนี้เพราะผมบอกว่าในนิพพานไม่มีรำวงนะก็มไม่เอาไม่เอาไม่เอามาบอกเลิกบอกคืนมันเรื่องมันขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> มันคิดว่านิาพนพานคืออะไรอะไรที่น่าะอะร่อยสนุกสนานอย่างที่ตัวชอบมีเหล้ากินมีเต้นรํามี <c oughs> กามารมมีอะไรสุดเวียงอ <พบ S 1> เป็นนิพปานอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องกิเลสตัณหา <c oughs> เป็นนินพานของกิเลสตัณหา <c oughs> อยากจะได้ตามกิเลสตัณหาไม่ใช่นิพพานแต่ก็มีคนเข้าใจอย่างนี้ที่เราดูให้ดีว่าไม่บวกไม่ลบไม่บวกไม่ลบนิพพานถ้าบวกคือได้ตามกิเลสตัณหาต่องการไม่ใช่ถ้าลบคือไม่ได้ตามกิเลสตัณหาต่องการมันก็ไม่ใช่ มันไม่บวกมันไม่ลบนะไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนั่นจึงจะเป็นนิพพานและเป็นการพักผ่อนอย่างยิ่งนั่คอยสนใจกรรมพักผ่อนด้านหรือชั้นระดับวิญญาณกันไว้บ้างพักผ่อนทางกายเนี่ยอาจจะได้มีกินมีเล่นมีสนุกสนานก็พักผ่อนทางกาย หรือพักผ่อนทางจิตมีอะไรทําให้สงบว่างก็พอจะเป็นการพักผ่อนแต่ยังติดยังติดยังยึดในความดีหรือในความพักผ่อนนั้นเองถ้ายังติดยึดในการพักผ่อนมันก็ไม่เป็นการพักผ่อนไม่ติดไม่ยึดไม่หวังไม่ผูกพันอะไรยิ่งจะเป็นการพักผ่อนเนี่ยจึงคอยขอเข้าใจว่าไอ้การพักผ่อนของเราพุทธบริษัทธ์มันมีชั้นเลิศเนี่ย ฉันที่พวกฝรังยังไม่มีนะถ้าขออาภัยพวกฝรังทั้งหลายที่ผมพูดอย่างนี้นะเพราะว่าก า, ารพักผรอนในแท้จริงนี่มันมีแต่ของพุธทธบ ร, ริษัทคือคือพาคพาไประจแบบคนงตนะที่พักผ่ที่พวกฝรั ง, งไม่รู้จักการพักผ่อนอย่างนี้เนื่องจากพักผ่กอนแต่ทางฟิสิกส์หือทางอจิตทางสายคิดไม่รู้ในเรื่องสปิริตุ เอาละเราพูดกันเรื่องพักผ่อนพักผ่อนก็ขอให้ระวังให้ดีเพรว่าถ้าเราไม่ได้รับการพักผ่อนเราจะต้องตายไม่ได้รับการพักผ่อนทางกายเราจะตายทางกายไม่ได้พักผ่อนทางจิตเราจะตายทางจิต ไม่ได้รับการพักผ่อนทางวิญญาณหรือทางสติปัญญาเราจะตายทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณเดี๋ยวไปนอนอก็พักผ่อนทางกายก็ได้แต่ถ้าจิตมันไม่พักผ่อนมันก็ฝันบ้าบอเรื่อยไป ถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันปกติมันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่มันก็พักผ่อนอ่ะมันไม่ฝันบ้าบออะไรเรื่อยไปแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเรียกว่ายังบูชาความยึดมัน่นถือมัน่นตัวกูของกูอะไรอยู่นี่เลยตัดสวจว่าจะเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงนั่นก็คือการเลิกเลิ ก, เ, ลกเพิกถอนตัวตน เลิกตัวกูของกูเพิกถอนตัวกูของกูตัวตนของตนออกไปเหลือเป็นความว่างจากตัวตนนี่จะเป็นการพักผ่อนที่จุดเลยไม่เชื่อก็ได้จะค่อยไปคิดสักหน่อยยังไม่เชื่อก็ได้จะค่อยไปคิดสักหน่อยล้วก็จะค่อยๆเห็นได้เองว่ามันเป็นความจริงอย่างไรเป็นความจริงอย่างไร ยิ่เที่ยงอยู่ภายใต้อวิชชาความโง่ความไม่รู้แล้วมันจะต้องไม่รู้จักบวกไม่รู้จักรลบว่าเป็นของเลวร้ายเมื่อมันก็จะพอใจบวกพอใจยินดีพอใจยินดีนดตามที่เคยพอใจมาตั้งแต่แรกคลอด เรื่อยมาเรื่อยมาสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเรียกว่ามันมาสูงสุดหวังกันอยู่ที่นี่มันจึงเกิดความหวังความอยากความอะไรแล้วเกิดความกลัวว่าจะไม่ได้ความอยากก็ความกลัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันมีราคะมีโทสะเผาลนอยู่ตลอดเวลาแ้าเกิดมาจากข้องแม่จิตยังไม่มีคิดนึกอะไรเรียกว่ามัน มันยังไม่ไม่รู้ไม่รู้จักคิดอะไรยังว่างพอดูได้แต่มันเป็นว่างชนิดที่วุ่นได้เป็นความว่างชนิดที่วุ่นได้คือมันกลายเป็นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นขึ้นมาได้ถ้าว่างจริงว่างอย่างหมดกิเลสหมดตัวตนนี้มันว่างเด็ดขาดกลับวุ่นอีกไม่ได้คือจิตของฆราหัน ไอ้จิต ท, ที่ว่างตามธรรมชาติที่เรียกว่าจิตประพัดสอนนั่นน่ะมันยังวุ่นได้มันว่างชนิดที่วุ่นได้อยู่ในท้องแม่ไม่คิดนึกอะไรจิตว่างคลอดออกมาเดี๋ยวนี้คลอดออกมาจาก่องแม่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังว่างแต่พอยาโรคนั่นมันได้ใช้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแทางใจด้วยก็ได้ มันสัมผัสอารมณ์เหล่านี้แล้วมันโดยพบของอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องพูดว่ามันอร่อยทางรสทางลิ้นคือน้ำนมแม่ที่อร่อยครั้งแรก หรือน้ำอะไรก็ได้ถ้าใครกินมันก็รู้สึกพอใจพอใจแล้วมันก็อยากยิ่งขึ้นไปหรือได้รับโดทัพระการกกกอดอ้องแม่ของคนที่อุ้มที่เลี้ยงได้รับความสาบาย อ, อร่อยทางผิวหนังมันก็พอใจพอใจแล้มันก็ต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก่อนนี้มันไม่ได้ต้องการนันมันมต้องการไม่เป็นคิดไม่เป็นรู้สึกไม่เป็น อาญาตนะยังไม่มีการสัมผัสอะไรเลยมันก็ไม่มีจริพราอาญตนะมันมีการสัมผัสด้วยจากสัมผัสข้าวมันก็มีมีมีแล้วก็ ม, ม, ม, ม, ม, มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมีสุดเวียงเนี่มีราคะโทสะโมหะสุดเวียงยึดมั่นถือมั่นนั่นมีสุดเวียงเด็กๆก็ได้รับการประคบประนุษยให้อร่อยสบายที่สุดให้กินของอร่อยให้เล่นหัวดีๆอะไรทุกอย่างที่อยู่ คนเลี้ยงเขาจะมีให้ได้เนี่ยนี่ก็ทําให้โง่โง่โง่โง่โ ง, ง, ง, ง่จนในตัวกิกเลสเกิดความทุกข์สุดเวียงแล้วที่จึงอยากอ้าวแย่ยแล้วแย่ยแล้วครับมารู้จักความไม่พักผ่อนไม่พักผ่อนก็อยากจะพักผ่อนมีจิตน้อกไปพระนิพพานนี่ตอนนี้มันนอกไปในทางนั่นจนถึงกับว่าบรรลุพระอรหันต์จิตที่เคยประพัดสอนก็ประพัดสอนเด็ดขาด ไม่กลับไปจิตวุ่นอีกต่อไปจิตว่างชนิดเด็ดขาดไม่มีกลับวุ่นอีกต่อไปทีแรกมันยังมีว่างว่างเด็กๆว่างหลอหลกคืว่างที่วุ่นได้เดี๋ยวนี้มีว่างเด็ดขาดไม่วุ่นอีกต่อไปนี่เป็นการพบกันกันกบความพักผ่อนเพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นยอดสุดของการพักผ่อนคอยรู้ว้ ในแง่ของธรรมะก็ได้ในแง่ของวัฒนธรรมความรู้เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมสูงสุดก็ได้เป็นแง่ของวิทยาศาสต ร, ร์ทางจิตก็ได้จิตมันเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ฝึกฝนได้อบรมได้แต่มันไม่มีใครสนใจเพราะไม่รู้พุทธศาสนามีห้ก็ไม่มีโอกาสจะเรียนหรือเรียนก็เรียนไม่รู้นะผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ดูมินดูถูก เอาเรื่องพระนิพพานมาศึกษาเกี่ยวเป็นเกือบตายก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องว่างยังข้าเจอนิพพานเป็นสุขที่สุดเป็นสุขที่สุดตางความคิดนึกโดยอภิชาตงตนเองเลยไม่รู้จักพระนิพพาน <c oughs> <c oughs> เกิดมาจึงไม่ได้ถึงจุดสูงสุดของสิ่งที่ชีวิตควรจะได้ <c oughs> ชีวิตนี้เกิดมางโง่แล้วก็ตั้งต้นฉลาดฉลาดฉลาด โง่โง่มากขึ้นเท่าไรก็ให้ความทุกข์มากเท่นั้นให้ความทุกข์มากเท่าไรมันก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้นมันจึงรู้จักแก้ความทุกข์จนบรรลุพระนิพพานจุดสุดท้ายไปถึงเสียก่อนแต่ที่จะตายก็เป็นการดีอย่าฝากไว้กับชาติหน้าเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรได้ไประโยชน์กับความรู้สึกโดยแท้จริงที่นี่ชาตินี้มันได้พบกับ ความว่างหรือการพักผ่อนที่จริงอย่างนี้แล้วก็จะไม่เสียชาติเกิดเป็นคำพูดที่รุนแรงไปเกินไปไหมว่าทำไมพบกับความว่างหรือความพักผ่อนนี่มันเสียชาติเกิดถ้าไม่ได้พบกับความพักผ่อนอันนี้แล้วก็ไม่เสียชาติเกิดอย่างที่เรียกกันว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบประพฤตธศาสนา ขอแสดงความหวังว่าทุกคนจงจะได้รู้จากการพักผ่อนเข้าใจความพักผ่อนแสวงหาความพักผอนยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้รับความพักผ่อนถึงที่สุดเสียก่อนแต่ที่จะตายไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรที่ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบประพุทธศาสนาโดยกันจงทุกทุกคนเธอ